เก็บเงินได้ถือว่าขโมยไหมถามสมมุติว่าผมเดินไปเจอเงินตกอยู่กลางถนนซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเคยได้ยินบ่อยๆทำนองคนเก็บขยะเคยเจอแหวนเพชรในซองที่ถูกทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำถ้าเรานำเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองวิบากจะเป็นเช่นไร ถือว่าผิดศีลข้ออาทินนาทานไหมแล้วกรณีที่เราพยายามสืบหาเจ้าของอย่างเต็มที่แต่หาไม่ได้จริงๆจะยังผิดอยู่ไหมอีกอย่างถ้านำทรัพย์ดังกล่าวไปทำบุญผลบุญที่ได้จะเป็นเช่นไรส่วนเจ้าของเงินตัวจริงถ้าไม่ได้อนุมโมทนาจะได้บุญตามเราหรือไม่อย่างไรและถ้าเป็นคุณดังตรินเจอเงิน คุณจะทําอย่างไรกับเงินนั้นตอบต้องทําความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของสิทธิ์ในการครอบครองกันก่อนครับตามกฎของธรรมชาตินั้นคล้ายคลึงกับกฎหมายทางโลกนั่นคือสิทธิ์ครอบครองสมบัติจะคงอยู่ตราบเท่าที่เจ้าของยังไม่ตายและหรื อ, อยังไม่ยินยอมยกให้แก่ผู้อื่น สิทธิ์ในการครอบครองเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองหากใครมาทำลายสิทธินั้นเจตนาฉกฉวยสิทธินั้นไปครอบครองโดยเจ้าของไม่ยินยอม <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าทำกรรมข้อที่ว่าด้วยการลักขโมยเต็มร้อยสิทธิ์ในการครอบครองจะเป็นพลังที่เป็นกลางกับเจ้าทรัพย์เดิมแต่จะแปลเป็นพลังลบ หรือเป็นเงาดําติดตัวหัวขโมยไปในทันทีที่เกิดการยักยอกหรือฉก ช, ชิงไปหากคุณมีโอกาสเข้าไปในบ้านหัวขโมยเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ขโมยชาวบ้านมาตั้งอยู่เรียงรายก็จะสัมผัสได้ชัดเลยครับว่ามีกลิ่นอายแปลกๆทั้งบ้านมีความทึบทึมหน้าอึดอัดอย่างอธิบายยากและโตหัวขโมยเอง ก็มีกระแสประหลาดที่น่าไว้ใจไม่น่าเข้าใกล้อันนั้นแหละเงาดำอันเกิดจากการมีสมบัติอย่างไม่ชอบธรรมคราวนี้มาถึงกรณีของทรัพย์ที่พบตามทางคุณไม่มีเจตนาไปปล้นใครเข้ามาอันนั้นเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ทำให้การหยิบช่วยไปไม่เข้าข่ายลักขโมย แต่สิทธิ์ในการครอบครองวัตถุยังไม่หายไปเพราะเจ้าของยังไม่ยินยอมยกสิทธิ์ให้ใครอื่นอันนั้นเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ทำให้คุณครอบครองสมบัติโดยไม่ชอบธรรมเต็มร้อยเพราะฉะนั้นขอกล่าวว่าคุณไม่ได้ทำกรรมอันเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างชัดเจนแต่มีมวลทินมีกลิ่นเหม็นติดมือมาด้วย ส่วนจะเหม็นมากหรือเหม็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับความโลภที่เกิดขึ้นตัวอย่างนะครับถ้าระหว่างเดินทางเข้าบ้านซึ่งไม่ค่อยมีคนสัญจรหากเห็นกระเป๋าเงินหล่นคุณรีบปรีเข้าไปฉกทันทีด้วยเจตนาจะรีบอุบอิบไว้เป็นการป้องกันเจ้าของกลับมาพบอันนั้นไม่ขโมยก็เหมือนขโมย พรอใจรู้สึกอยู่ว่าเจ้าของเขามีสิทธิ์รู้ตัวและย้อนกลับมาเอาคืนได้ภายหลังสองสานาทีไม่สายเกินการอีกประการหนึ่งถ้าของที่พบเป็นกระเป๋าสตางค์ปกติจะมีร่องรอยเจ้าของอยู่เสมอเช่นบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวพนักงาน อันนี้คุณมีสิทธิสองประการเกิดขึ้นทันทีหนึ่งคือทำบุญด้วยการนําของไปคืนตามที่อยู่สองคือทำบาปด้วยการไม่รู้ไม่ชี้ริบซัพ์ไปเลยด้วยใบหน้าเฉยเฉยชาชามันขึ้นอยู่กับว่าใจคุณรู้อย่างไรคิดอย่างไรด้วยถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในมือคุณเจ้าของมีสิทธิ์ได้คืนแน่ เพราะคุณจะแจ้งเขาตามที่อยู่ตามเอกสารในกระเป๋าอันนั้นหากตัดสินใจทิ้งไว้ที่เดิมแม้ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ถือเป็นการขาดเมตตาเพราะนิสัยดูดายอันเป็นกรรมที่กระเดียดไปทางลบอยู่ดียิ่งเป็นกรณีคนเก็บขยะพบแหวนเพชรถ้าเขาซื่อจริงย่อมสืบได้ว่ามาจากขยะกองไหน เป็นเขตบ้านของใครการนำไปคืนไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยคือแจ้งตำรวจเรียกหาเจ้าของเดิมมารับพร้อมหลักฐานแต่มีอีกกรณีหนึ่งหากเจอแต่เงินหรือทรัพย์ล้วนๆที่ไม่อาจสืบหาเจ้าของได้อันนั้นถ้าทิ้งไว้กับที่จะดีที่สุดสบายใจที่สุดเพราะแม้คุณคิดว่าถ้าคุณไม่เอา คนอื่นก็เอาอย่างนั้นก็เป็นการตัดสิทธิ์เจ้าของไม่ให้กลับมาพบทรัพย์ได้อีกเลยอย่างถาวรให้คนอื่นทําเถอะอย่าให้เป็นคุณจะดีกว่าที่จะเป็นกรณียกเว้นคือคุณรู้ชัดๆว่าเจ้าทรัพย์ตายหาผู้สืบทอดไม่ได้อันนั้นโอเคไม่มีปัญหา อย่างเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลพอคนตายญาติก็เอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าพระก็มีสิทธิชักผ้าห่อศพมาใช้ได้โดยไม่ถือเป็นการขโมยเพราะไหนไหนเจ้าของเดิมก็ตายแล้วญาติก็นำมาทิ้งให้แรงถึงแล้วไม่ใช้ประโยชน์อันใดอีกแล้วสละสิทธิครอบครองเต็มที่แล้วใครจะเอาไปก็ไม่ว่ากัน และหากพิจารณาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆว่าเจ้าของไม่มีทางย้อนกลับมาสืบหาได้เช่นธนบัตรปลิวมาจากที่ไกลเจ้าของไม่อาจตามเส้นทางลมมาถึงธนบัตรอันนี้ถือเป็นลาบรอยก็คงไม่ผิดอะไรกรณีที่นำทรัพย์ไปทำบุญ ก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากเงื่อนไขที่ผ่านๆมาข้างต้นถ้าทรับหาเจ้าของไม่ได้จริงๆเป็นลาบลอยของคุณจริงๆบุญนั้นก็บริสุทธิ์แต่ถ้าใจคุณสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าป่านนี้เจ้าของจะกลับมายังตำแหน่งของตกหรือเปล่าเขาจะกระวนกระวายทุกร้อนแค่ไหนเมื่อไม่พบใจคุณจะมีมนทิมทันที และบุญจะไม่มีทางบริสุทธิ์ไปได้เลยกรณีที่เจ้าของไม่อนุโมทนาแม้คุณจะอุทิศบุญไปให้เขาเขาก็ไม่ได้รับส่วนบุญหรอกครับแต่เขาอาจได้รับกระแสความเย็นแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้วูบหนึ่งเพราะจิตเป็นสิ่งที่สื่อกันได้ผ่านวัตถุโดยเฉพาะถ้าวัตถุเคยอยู่ในครอบครองของเขาสําหรับผม ถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะพิจารณาตามที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเหมือนกันครับ